ยังไงไตรวจร่รางกายมาเดี๋ยวแล้วสบายใจนะ <c oughs> ไม่ตรวจใจบ้าง <c oughs> ตัวที่เป็นปัญหาไม่ใช่ร่างกายตัวที่เป็นปัญหาคือใจพอไม่มันไม่ปะกะติขึ้นมาใจก็ไม่ปะกะติขึ้นมามัตรวจใจ มันเป็นปกติไม่ว่าร่างกายจะเป็นปกติมันไม่เป็นปกติใจมันต้องเป็นปกติถึงจะถูกเพราะงั้นถ้าถ้าใจไม่เป็นปกติก็แสดงว่าผิดนะมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่จะต้องไม่เป็นแบปกติเขาย้ายมแต่ เ, เป็นเรื่องของของใจที่ต้องเป็นปกติ ถ้าไปไม่ปกติเนะี่ยถือว่าเป็นไม่ปกติใจต้องปกติส่วนร่างกายมันต้องไม่ปกติอย่าไปอย่าไปจำผิดจําถูกกันพวกเราไปจําผิดกันไปจําผิดไปเอาที่ร่างกายมันต้องไม่ปกติต้องเป็นปกติ ใจต้องไม่ปกติถึงจะถูกร่างกายมันต้องไม่ปกติม่นเข้าใจไหมใจต้องเป็นปกติเสมอไม่ว่าร่างกายจะเป็นปกติหรือไม่เพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องไม่เป็นปกติเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องเจ็บ่ายได้ตัวเดี๋ยวไขมันก็ต้องขึ้น เดี๋ยวอน้ําตาลก็ต้องขึ้นความดันก็ต้องขึ้นของเ น, นี้ไปตัวเดื่เนี้ยมีบางตัวมันเริ่มสูงแล้วข้าขีดแดงแล้วบางตัวแต่ยังไม่ถึงกับขีดอันตรายเพียแต่ว่าถ้าเขาให้าาสัญญาณว่ามันตัวสูงแล้วสูงสุดในในในกรอบที่เขาอนุ ญ, ญาต บางตัวไม่อยากบอกนะใจเป็นปกติก็ไม่ม NO ีปัญหาอะไรแต่ถ้ารางกายเป็นปกติใจก็ไม่เ yeah ป็นปกติก็กลัวต่อไปมันจะต้องไม่เป็นปกติ มันก็กลัวละมันก็ไม่ปกติละแล้วมันมันมันจะไปปกติตอนไหนมันไม่มีเวลาปกติใจเราเพราะตัวที่ทําให้มันไม่ปกติมันไม่ถูกกําจัดอะไรเรามากำจัดตัวที่มาก่อความไม่เป็นปกติของจิตของใจก็คือตัวความอยากเนี่แตัวความหลงนีถ้ากําจัดตัวความหลงความอยากได้ใจก็จะเป็นปกติ หลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราว่าเป็นตัวเราของเราก็ต้องอยากให้มันเป็นปกติทวาจริงใจนี่แหละเป็นตัวเราของเราต้องอยากให้ใจของเราเป็นปกติถึงจ้ถงการที่อยากให้ใจปกติก็ต้องปฏิบัติทำอย่างวันพระมาอยู่วัดมาสร้างธรรมะที่จะมากาจัดตัวที่ทำให้ใจของเราไม่เป็นปกติ โดยที่ทําให้ใจของเราไม่เป็นปกติก็คือตัวความหลงไป้หลงไปคิดว่าตัวลร่างกายเป็นตัวเราของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นของเราพอเกิดความหลงว่าเป็นของเราก็เกิดความอยากให้ของที่เป็นของเรานี้อยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้ดีไปนานๆไม่ให้เขาเป็นอะไรเอ หายให้คุณแม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากคุณแม่หายแล้วมีคุณแม่คุณพ่อคนไหนที่หายบ้างหายก็หายแบบไม่กลับเลยหายวับไปเลยหายกลายเป็นขี้เท่าที่ฐานกลายเป็นเศษกระดูกไปเลย เ, เดี๋ยวถึงเวลาท่านจะหายมันหายแบบนั้นทนะ่านร่างกายของเราก็เหมือนกันเราไปมันก็หาย เาให้กินยาวิเศษขนาดไหนเดี๋ยวมันก็หายแต่มันไม่ได้หายแบบที่เราต้องการให้มันหายแต่มันต้องหายเข้าใจไหมก็มเราต้องการให้มันหายไม่ใช่แล้วเราเวลาเจ็บข้ได้ป่วยแล้วก็อยากให้มันหายพอมันหายก็กลับไปเสียใจยเลยเวลาพ่อแม่ไม่สบายก็อยากให้หายไมไหมพอหายเรากลับมาเสียใจ เนี่ยเวลาตายไปสบายแนละ้วไม่ต้องกินยาแนละ้วไม่ต้องไปหาหมอแนละ้วไม่ต้องไปตรวจเลือดแล้วสบายอยาตายไปแหละใจเราไม่สบายเพราะความหลงไปหลงคิดว่าเขาเป็นเป็นเราเป็นของเราก็เลยเกิดความอยากให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆพ อ, อเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์ขึ้นมนาะ ไม่เปใจก็เป็นไม่ปกติขึ้นมาถ้าเรามาแก้ความหลงด้วยการเอาความจริงมาสอนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของพ่อของแม่ไม่ใช่ของพี่ของน้องไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายของใครเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราเป็นผู้มาอาศัยร่างกายอยู่ชั่วคราวอาศัยร่างกายใช้ทําอะไรต่างๆ mm. แล้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องเสียไป mm. ก็ต้องหาร่างกายอยื่ mm. ก็ไม่เบื่อหามาใหม่กีร่างมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ซ้ําแล้วซ้ําอีก ถ้ารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายไม่ใช่ของเราเอามาแล้วมันทุกข์เนี้ยเอามาดีกว่าต่อไปเราก็หยุดหยุดหาน่างกายการที่เราต้องมีร่างกายเพราะอะไรเพราะเรายังอยากใช้ร่างกายเหมือนกับเรามีคนใช้เพราะเรายังอยากใช้คนใช้อยู่เราไม่อยากใช้ตัวเราเองเราขี้เกียจทํางาน ก็เลยจ้างคนใช้มาทํางานให้เรามากวาดบ้านถูบ้านมาทํากับข้าวมาซักผ้ามาทำอะไรให้กับเราเ mm hmm. พราะเราขี้เกียจไม่ไม่ชอบพึ่งตัวเองพอเวลาคนใช้เขาลาออกไปหรือเขาไม่สบายเราก็เดือดร้อนเพราะเราทําอะไรเองไม่เป็นซักบาซักผ้าไม่เป็นกวาดบ้านไม่เป็นทํากับข้าวไม่เป็น mm hmm. ก็ต้องไปหาคนใช้ใหม่ พอคนใช้เก่าลาออกไปก็ต้องหาคนใช้ใหม่ใจเราก็เหมือนกับเราเนี่ยร่างกายก็เหมือนคนใช้ของใจเราชอบใช้ร่างกายเหลือเกินชอบใช้ตาของมันชอบใช้หูของมันชอบใช้ลิ้นของมันชอบใช้จมูกของมันชอบใช้ร่างกายพาเราไปทํานู่นทํานี่ ดูนั่นดูนี่ฟังนูน่นฟังนี่กินนั่นกินนี่เดิ่มนั่นเดื่มนี่พอเวลาร่างกายมันขอลาป่วยเราก็เดือดร้อนไม่มีใครจะมาหาสิ่งที่เราต้องการให้กับเราได้แลพอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปหาคนใช้คนใหม่ก็ไปเกิดใหม่ พระเจ้าวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่านี่แหละพราความอยากของเราอยากใช้คนอื่นไม่อยากใช้ตัวเองขี้เกียจถ้าหนึ่งว้อยอัตตาหิอัตโนโนาโถไม่ใช้ตัวเราเองอย่าไปใช้คนอื่นอย่าไปใช้ร่างกายให้ใช้ตัวเราให้ใช้ใจนี่แหละให้ใจมันทําใจให้สงบใจสงบแล้วใจไม่ต้องใช้ใคร เวลาใจสงบนี่ใจมีความสุขมากกว่าการได้ใช้ร่างกายพาไปดูไปฟังไปกินไปดื่มแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเพราะเวลาใจมีความสงบแล้วความอยากไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากเที่ยวอยากเล่นอยากดื่มอยากรับประทานไม่มีอยากอยู่เฉยๆอยากไม่มีร่างกาย พอเบื่อต้องคอยเลี้ยงดูมันร่างกายนี้พอเราไม่ใช้มันแล้วเราก็ยังต้องเลี้ยงมันตอ่อไปต้องอาบน้ําให้มันต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องหาข้าวมาให้มันกินหาน้ํามาให้มันดื่มต้องออกออ ก, กําลังกายต้องสูดล ม, มหายใจเข้าออกพอไม่มีร่างกายนี้แล้วก็สบาย แต่ฆ่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกรรมเป็นฆ่าตัวตายก็ผิดเป็นบาปพระพุทธเจ้าพระานท่านยังไม่ฆ่าตัวตายเลยนั่งที่ท่านก็ไม่ได้อาศัยมันแล้ไม่อยากจะใช้มันแล้วแต่การที่อยากจะฆ่ามันก็เป็นกิเลสตัวเป็นความอยากอยากฆ่าก็เลยต้องอยู่กับมันไปอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหมดสภาพไปเอง ให้ฆ่ามันก็ไม่ได้ถ้ามันก็เป็นเป็นบาปเป็นกรรมทางเดียวถ้าไม่อยากจะเลี้ยงดูถ้าเบื่อมันก็ไม่ให้มันไ ม, ไม่ไม่กินข้าวไม่กินน้ําปล่อยให้มันเหี่ยวให้มันแห้งไปเองอาจารย์บางองค์นี่ท่านพร้อมกะละรองทั้งที่เกียดกิน <c oughs> <c oughs> นี่คือเรื่องของร่างกายเราต้องมา เปลี่ยนทัสนคติมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นคนรับใช้เราแต่เราไม่ควรอาศัยมันเพราะว่ามันไม่แน่นอนบางทีมันก็อาศัยไม่ได้เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็อาศัยมันไม่ได้เวลามันพิกลพิ ก, การนี่ยิ่งยิ่งยิ่งลาบากอย่คนสมัยนี้พอไปเจอร่างกายที่มันพิกลพิ ก, การ หรือแก่แล้วก็มีโรคภัยติดตัวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เลยคิดฆ่าตัวตายกันี๋ยวเนี่ยฝรั่งบางค่าทั้งหลายที่เก่งกาจที่รู้จักวิธีผลิตยาผลิตอะไรต่างๆไว้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่แข็งแรงให้อยู่อายุยืนยาวนาน แต่พอมันแก่มันมันไม่มีวิธีที่จะรักษาไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ปวดมียากี่ร้อยชนิดมันก็มีโรคขึ้นมาให้มันต้องมาแก้อยู่เรื่อยบางทีก็รักษาไม่ได้อยู่ก็ทุกทรมาก็เลยคิดว่าตายดีกว่าอยู่แบบนี้ทุเลศเขาว่าก็ต้องอาศัยคน ทำให้คนอื่นเป็นทาร่กับคนอื่นเขาใจที่เป็นอัตตาตัวตนสูงก็ไม่อยากจะรบกวนคนอื่นไม่อยากเป็นทาร่ให้กับการ่าตัวตายห้าห้าหมอช่วยทำให้คนตายแต่ไม่ได้ห้ามให้หมอแนะนำวิธีฆ่าตัวตายนำได้วิธีไหนตายง่ายที่สุดตายเร็วที่สุดตาย ตายแน่นอนที่สุดคนมันแก่แล้วมันไม่มีแล้วสังคมของเขาไม่มีพี่น้องไไม่มีลูกไม่มีหลานเป็นเหมือนนอกกาอางเงี้ยพ อ, อ, อลูกโตมันบินได้มันก็ไปแล้ะมันก็ไปสร้างรังใหม่ไปมีครอบครัวใหม่พ่อแม่มันก็ไม่เหลียวแลถือว่ามีสวัสดิการทุกคนมีสวัสดิการมี มีเงินทางสังคมสงเคราะห์แต่มันไม่มีมันไม่มีกาลังใจมันอยู่แบบไม่มีความสุขถ้ามีคนรักคนชอบอยู่ช่วยกันดูแลกันมันก็ยังมีความสุขใจอแต่นี่มันอยู่แบบเดียวดายบางทีสามีหรือภรรยาตายไปตัวเองอยู่คนเดียวไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ในสังคมที่มีการเอื้ออาทรกันกันอยู่ร่วมกันดูแลกันระหว่างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมันจะเจ็บจะปวดยังไงมันก็ยังพอทนได้เพราะความทุกข์ใจนี่มันมันไม่มากยังมีความสุขใจมีความสุขใจที่มีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงมาคอยให้กำลังใจกัน แต่สังคมของต่างประเทศเขาไม่มีสังคมแบบตัวใครตัวมันถ้ามาให้กำลังใจกันก็ถือว่าอ่อนแอต้องเข้มแข็งวิธีแสดงความเข้มแข็งของเขาก็คือฆ่าตัวตายแล้าต้องมาพยายามแก้ปัญหานี้ให้ได้คือปัญหาร่างกาย แต่ไม่ได้ห้ามไปให้ไปตรวจนะอยากจะไปตรวจเลือดไปหาหมอกระไปเถอะแต่ให้ให้มาสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปวิตกเกินเหตุเกินผลให้รู้ว่าตรวจยังไงก็ตายไม่ตรวจก็ตายแล้วมันจะได้สบายใจ แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะได้ไม่เดือดร้อนทำใจให้สงบวันพระก็ถือศีลแปดกันหยุดใช้ร่างกายหนึ่งวันให้ให้ร่างกายมันมีวันพักผ่อนบ้างคนใช้ก็ยังมีวันหยุดเลยเราทํำไมไม่ให้ร่างกายมันมีวันหยุดบ้างเนี่ยการถือศีลแปดนี่ยก็เท่ากับการหยุดใช้ร่างกายหนึ่งวันเลยศีลข้อสามก็ไม่ใช้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนน่ะ นอนคนคนเดียวแยกกันนอนคนละห้องแล้วก็หยุดกินอาหารมากเกินไปกินเพื่อร่างกายก็พออย่าไปกินเพื่อตันหาความอยากร่างกายกินมื้อเดียวก็พอถ้ากินหลายมื้อในแสดงว่ากินเพื่อความอยากไม่ได้กินเพื่อร่างกายอย่างเดียวกินเพื่อร่างกายด้วยแล้วกินเพื่อความอยากด้วยแต่วันนี้เราจะ ไม่กินเพื่อความอยากไม่อยากไม่ใช้ร่างกายตอบสนองความอยากด้วยการกินแต่ให้ร่างกายกินเพราะร่างกายต้องมีอาหารกินเพียงมื้อเดียวหรือหรือถ้าจะกินสองมื้อก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กินมื้อเย็นไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วคือการหยุดใช้ร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนให้เขาได้กินแล้วก็ให้เขาอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องใช้ตาดูหูฟังไม่ต้องตาดูมหัศลศพบันเทิงต่างๆฟังเสียงอะไรต่างๆไม่ต้องจับร่างกายมาแต่งเนื้อแต่งตัวทำเท้าทำผมอะไรต่างไม่ต้องเอาเสื้อผ่งเสื้อผ้าอะไรมาสวมมาใส่ให้มันลกลุงลังใสพอปกปิดร่างกายได้ก็พอไม่ต้องไม่ต้องออกโรงละครกัน เวลาจออกจากบ้านนี่เหมือนจะขึ้นเวทีละครกันเลยผมพร้อมหรือยังหน้าพร้อมหรือยังเสื้อผ้าพร้อมหรือยังรองเท้าพร้อมหรือยังกระเป๋าพร้อมหรือยังถึงจะขึ้นเวทีได้อันี่คือวิธีเลือกใช้ร่างกายเริ่มที่วันพระนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกให้เรามาเราหยุดให้มีวันหยุดของนั่งกายหนึ่งนวะัน ไม่ใช่ร่างกายหาความสุขหนึ่งวัให้มาหาความสุขทางใจกันหนึ่งวันหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบที่ต้องหยุดการใช้ร่างกายก็เพราะว่าถ้าไม่หยุดมันก็ไม่มีเวลามาทำความสุขทางใจนั่นเองเช่นวันนี้คนไม่ถือศีลแต่ก็เดี๋ยวเขาก็ไปกินไปกินกันแล้วเนี่ยหลังเที่ยงหลังพอบ่ายหิวก็กินกันได้แนละ กินกันไปย่งถึงเวลานอนนั่นแหละอีกหลายครั้งด้วยกันพราะเดี๋ยวต้องไปดูหนังไปเที่ยวกันเที่ยวเดี๋ยวก็เหนื่อยก็หิวก็กินกันอีกแล้วก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามานั่งฟังธรรมะวิธีปฏิบัติวิธีพึ่งตนเองอันนี้เรามีเวลาว่างเพราะเรา หดกิจกรรมทางร่างกายหนึ่งวันเลยมีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาวิธีเพึ่งตนเองไม่พึ่งร่างกายวิธีพึ่งตนเองก็ต้องทําใจให้สงบวิธีจะทําทใจให้สงบ ก, ก็ต้องมีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งความคิดตรุงแต่งเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปแบบเรคแตกไม่มีเบรก ถ้าอยากจะให้รถยนต์หยุดเราต้องติดเบรคกันถ้าไม่ติดเบรคมันถึงสีแยกไฟแดงเดี๋ยวมันหยุดไม่ได้มันก็จะไปชนกับรถคันหน่งถ้าไม่มีความไม่มีสติหยุดความคิดเดี๋ยวความคิดก็ไปคิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาให้ปวดหัวให้ทุกข์ให้วุ่นวายใจเลิกไปคิดในทางความอยาก อยากดูอยากฟังอยากดื่อยากรับประทานถ้าเราควบคุมความคิดได้เวลาถือศีลแปด น, นี่จะไม่เดือดร้อนเพราะจะมันจะไม่ไปคิดเรื่องการกินอาหารเรื่องการเอกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเรื่องการไปอยู่กับแฟนไปนอนกับแฟนมันจะไม่คิดเพราะเราจะหยุดเหมือนไม่ให้มันคิดมันต้องฝึก สร้างสติขึ้นมาหยุดความคิดต่างๆที่จะดึงให้เราไปอาศัยร่างกายไปใช้ร่างกายพอหยุดความคิดต่างๆได้ใจก็นิ่งสงบเย็นสบายมีความสุขอ๋อไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็อยู่ได้ใครจะพบกับความสุขพบกับความสงบแล้วต่อไปก็จะเลิกการใช้ร่างกายได้ เฉยๆหลับตาก็มีความสุขสงบลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็พุโทโธพุโทโธไปควบคุมใจไม่ให้คิดเลื่อยเปืย่ยใจก็จะสงบถ้าอยากจะสบายกว่านี้อยากสบายแบบไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้สติก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าความอยากหาความสุขทางร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ทุกครั้งที่มันอยากจะใช้ร่างกายต้องฝืนมันอยากไปใช้มันมันอยากจะใช้ร่างกายไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวอยากใช้ร่างกายไปกินนอกเวลาก็ไม่ไปกินอยากใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ไม่ใช้มันเอามันมานั่งสมาธิให้มันอยู่เฉยๆเดินจงกรมนั่งสมาธิฝืนความอยากในกามทุกรูปแบบความอยากที่เราต้องฝืนมีสามตัวเท่านั้นหละ ความอยากในการการ ม, มาตัณหาอยากดูอยากฟังอยากเสพการมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพา้าดูได้อย่างตอนนี้เรามีตาก็ดูแต่เราไม่ได้ดูด้วยความอยากใช่ไหมอตอนนี้เรามีตาก็เห็นมีหูก็ฟังแต่ดูแบบนี้ฟังแบบนี้ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นความอยากแต่ถ้าอยากจะดูละครคืนนี้เป็นความอยากอยากจะไปเที่ยว ข้างนอกไปสถานบันเทิงแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นการมารตัหาแต่ถ้าอยู่วัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นนกได้ยินเสียงนกเสียงกลางไม่ได้เป็นความอยากเพราะไม่อยากดูใช่มมันแต่มันมีดูก็ต้องดูมีตามันก็ต้องเห็นก็เห็นไปถ้าดูแบบนี้ได้ยินแบบนี้ไม่เป็นตันหาไม่เป็นความอยากแต่ถ้าต้อง เป็นรูปอย่างนั้นต้องเป็นเสียงอย่างนี้ถนงจะเป็นความอยากเย่นอยากจะได้ยินเสียงแฟนขอโทรศัพท์คุยกันหน่อยแฟนก็ได้คนที่เราลักคิดถึงล้านก็ได้ลูกก็ได้แม่ก็ได้พ่อก็ได้ถ้าเกิดความอยากนี้ก็อยากฟังเสียงเขานี้ก็เป็นกามมรดหากัขนมาความอยากในกลาม ความอยากมีอยากเป็นก็อยากไปนั่นอยากมานี่ก็อยากไปเราอยู่วันแล้วก็ปักหลักอยู่มันปิดประตูตีไอตัวความอยากไปนู่นมานี่ให้ให้มันตายให้ได้ถ้ามันไม่อยากไปไหนแล้วมันจะอยู่นี่ไปได้ตลอดมันจะไม่อยากจะไปไหนความอยากไปนู่นมานี่อยากให้เป็นนั่นเป็นอย่างนี้แล้วความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เล่นไปตรวเดื้อนนี่ก็ไม่อยากไม่ให้มันเอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นโรคไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเป็นมันจะเป็นก็ต้องทําใจเท่านั้นถึงจะไม่ทุกข์ถ้าอยากไม่ให้เป็นพอมันเป็นมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคือความอยากสามตัวนี้ที่เราต้องมาหยุดมันให้ได้หยุดด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาหยุดมันได้ ก็ไม่ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดเพราะความคิดมันจะไม่คิดไปในทางความอยากเพราะมันรู้ว่าคิดไปในทางความอยากแล้วมันเป็นทุกข์อยากจะใช้ร่างกายมันก็จะไม่คิดต่อไปมันไมนจ่จะไม่พึ่งร่างกายมันจะพึ่งมันจะพึ่งธรรมะพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาพอไม่มีความอยากแล้วก็สบาย ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปนใช้มันในเลือดจะสูงจะต่ำก็ไม่เป็นปัญหาเบาหวานจะสูงไม่สูงก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ได้ใช้มันแล้วมันจะตายก็ไม่เป็นปัญหามันอยู่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไั้ก็เลี้ยงมันไปเหมือนเราสงสารคนใช้จ้างมันมาแล้วถ้าเราไล่มันออกมันก็ลำบาก ต่เราไม่ใช้มันเราเพียงแต่เลี้ยงมันให้เงินเดือนมันกินมันอยู่ไปแต่เราไม่เอามาใช้งานแลไม่เอามาพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินไปดื่มอะไรต่างๆตามความอยากให้มันกินตามความต้องการของมันกินวันละมือ้อก็อยู่ได้แล้วขนมนมเ น, มนยก็เอาหนเดียวไม่ต้องกิ น, กน ท, ทั้งวิ่ทั้งวันเครื่องดิ่มก็เอาหนเดียว พร้อมกันเลยทีเดียวอยากจะกินอะไรก็ให้มันกินขนึเดียวหลังจากนั้นก็ให้มันดื่มน้าเปล่าไปก็พอถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่เดือดร้อยเพราะสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือน้ำเท่านั้นเองน้ำเปล่ า, ลาไม่ต้องมีรสชาติรสชาติก็คือความอยากอยากในการการมาลด นี่คือวิธีกาจัดความอยากอย่างถาวรต้องกำจัดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วพอเลิกได้แล้วสบายจะไม่มีความอยากความอยากมันจะตายไปถ้าเราไม่ทำตามมันเหมือนต้นไม้เนี่ย ปลกต้นไม้แล้วถ้าเราไม่ลดน้ําให้มันเดี๋ยวมันก็ตายเลยต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนถ้าไม่มีน้ําไม่มีฝนตกปีสองปีมันก็ตายดัง น, นั้เราอย่าไปให้น้ํากับตัญหาความอยากการให้น้ํากับตัญหาก็คือการทําตามความอยากอยากทาอะไรก็ทําแล้วมันก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแทนที่เหมือนคนอยากสูบบุหรี่ สูบไปเลยแล้วเดี๋ยวหมดมว น, นี้นะเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องสูบแต่ถ้าไม่สูทุกครั้งที่เกิดความอยากจะสูบก็ไม่สูบเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็หายไปเพราะมันอยากแล้วมันไม่ได้สูบมันก็ไม่เลยไม่รู้ว่าจะอยากไปทำไมอาจจะเลิอกอะไรนี่ง่ายมากเวลาเกิดความอยากเราอยากไปทาตามมันทนั้งเี ตดละครลรืออยากจะดูละครแล้วอย่าไปดูมันปิดเครื่องไปพอไม่ดูสักพักมันก็ไม่สนใจกันล้วจะทําอะไรอย่าไปทํามันสักพักเดี๋ยวมันก็ไม่ทํำแล้วอยากจะซื้อข้าวซื้อของนี่ไม่จําเป็นอย่าไปทํามันเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่อยากจะซื้อถ้าซื้อของด้วยความจําเป็นนี่มันไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ได้เป็นความอยากซื้อเพราะว่าต้อง ต้องต้องซื้อเช่นข้าวพอข้าวหมดก็ต้องซื้อกับข้าวหมดก็ต้องไปซื้อน้ำหมดก็ต้องไปซื้อมาซื้อของแบบนี้ไม่เป็นโทษนี่หละคือวิธีพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งร่างกายถ้าเรามีสติใจเราก็จะสงบมีความสุขเป็นสมาธิถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถกำจัด ความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้หมดแล้วก็อยู่อย่างสบายบารมังปลมังสุขขังบามมัสุขใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำอย่างนี้ทำใจให้สงบแล้วก็ตัดตัณหาความอยากให้หมดไปใจก็จะสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดอย่างที่มีนิทานเรื่องเศรษฐี คนหนึ่งมาบวชในสมัยพุทธกาลบวนแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพอาบรรลุแล้วท่านก็มีแต่ พ, พึมพำอยู่ในใจ พ, พึมพำเหมือนกับน้องภายในใจไม่ได้ข้างในใจอ่ะคล้ายๆว่ า, าบ่นไปมันก็บ่นไปว่าสุขเนอสุขหน อ, นอไปไหนก็สุขหนอนั่งตรงไหนก็สุขหนอยืนตรงไหนก็สุขหนอ พระในรูกเเห็นท่านก็คิดว่าท่านไม่สำมรวมท่านชอบพึมพำว่าสุกหนอสึกหนอก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถามว่าทำไมท่านบ่นพึมพำรรอะไรเลือสุกหนอสึกหนอเขากลาวที่บาว่าสมัยที่ผมไม่ได้บวชเป็นมหาเศรษฐีผมไม่มีความสุขอย่างนี้เลยผมมีแต่เรื่องเครียดเรื่องทุกข์กับปัญหาเงินทองต่าง ตอนนี้ผมมาบวชแล้วผมทําใจให้สงตบตัดความอยากได้แล้วมันสุขของมันจนมันอดที่จะอุทาหนออกมาไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอะพระจ้บอกเออไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าพึมพาแบบนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรขอใเราบวชกันแบบนี้นะอย่าไปบนชนะทุกหนอทุกหนอทุกกับร่างกายทุกกับเงินทอง ทุกับพ่อทุกกับแม่ทุกกับพี่ทุกกับน้องทุกกับสามีทุกกับภรรยาทุกไปทุกหมดเนี่ยมีอะไรก็ต้องทุกไปกับมันทั้งนั้นพอไม่มีแล้วมันจะไม่ทุกนอย่ามีนะแล้วมันจะสุขหนาสุกเนอไปเรื่อยๆอ่าวันนี้เล่านิทานจบผมควรแก่เวลาจะให้พรก่อนเดื๋ยตใยอยากจะ ไปสุขหนองสุขหนองใช่ไหมยะถาวาริวาหาปุราปุริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชจตุสัเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะามณิโชติ พระโสยะาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะอภิวาฒนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาานติอายุวั น, นสุขังภาลาง ในช่วงนี้ก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปช่วงกลางวันช่วงกลางคื น, นถ้าบันดังก็ปิดปิดหน้าต่างเปิดแอร์ก็แล้วกันถ้าเราไปอยู่เมืองนอกจะได้ภาวนาวไม่มีเสียงรบกวนได้ถ้ามีเห็ุมีผลไม่เป็นไรใช้ได้แต่อย่าใช้เพราะความอยากปิดแอร์แล้วก็นอน ถ้าติดแอรแล้วนั่งสมาธิไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปอยู่ซีาโตเทิลก็แล้วกัน อ, อาว่าที่มุมหน้าเขาก็ต้องมีแอร์มีมีที่ทําความร้อนกันด้วยเวลาหนาวเาก็ต้องมีเครื่องปรับอากาศกันถ้ามัญหนาวก็ทำให้มันอุ่นถ้ามันร้อนก็ต้องทําให้มันเย็นนั้นไม่ไม่น่าเป็นปัญหนาถ้าถ้าใช้ด้วยเหตุด้วยผลถ้าไม่ได้ใช้ด้วยตัณหาความอยากสบาย ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมของเราก็ดีไม่ใช้ได้ก็ดีพยายามแต่ไม่ใช้ดู่ิถ้าเสียงมันรบกวนหกขูดังอนี้ใช้ก็มันมีเหตุมีผลนรืถ้ามันร้อนมากจนกรั่งนั Finger ่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้มันก็ไม mm, ่เสียหายแต่อย่าใช้เพราะมาอยากจะสบายกินเสร็จอยากจะนอนพักผ่อน อันลอ้อถ้าใช้แบบนี้ไม่ควรใช้อต่ใช้ตามความอยากอย่างที่เทศให้ใช้ด้วยเหตุด้วยผลอะไรใครอยากจะถามอะไรไหมเราพูดคนเดียวมานั่นลนะ่ะทีนี้ง่าคนอื่นได้พูดบ้างมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังก็ไนดะอยากจะถามอะไรก็นะเราจะได้พักบ้าง นคุณสมชายมีอะไราถามเพื่อนของคุณก็รู้สึกยังถูถ่ายไปอยู่นะ เ, เห้นอนท่าตอนต้นๆทำท่าจะล้มแล่นก็รู้สึกว่าสู้ต่อไปมั้งเนื้อเราจำผิดคนมนะ้ะมีอยู่รายหนึ่งเขาก็กลัดจะมาบวช น, นาย ปวดได้ไม่ถึงเดือนไปเจออาหารเป็นพิษก็ถ่ายกัดเทียนไม่รู้กี่ครั้งที่ท่านก็เลยหวาดโถวทุกครั้งที่จะกินอาหาระกลัวจะเป็นพิษอีกจนจิตก็ไม่มีกระจิกกระจายที่จะปฏิบัติก็เลยขอกลับไปปฏิบัติที่บ้านดีกว่าพราะอย่างน้อยจะได้ควบคุมเรื่องอาหารได้เพราะอาหารที่ได้จากบินฑบาตนี้มันไม่แน่นอน ตั้งแต่เราบวชมาเราก็เคยเป็นอาหารเป็พิษอยู่สักสามสี่ครั้งเป็นทั้งอาเจียนเป็นทั้งถ่ายเป็นทั้งไข้แต่ก็อาศัยว่าเรามันไม่มีที่ไปแล้วจนต่อกนะต้องอยู่จะาตายกาอยู่แล้วระบบดีที่นี่แล้วก็ถามเขาว่าเราจะได้ขึ้นขอบเมื่อไหร่เขาบอกว่าแล้วแต่อาจารย์พระอาจารย์จะไม่ตา่าง เวลาเามตตาคนที่อยากจะขึ้นคนที่ไม่อยากจะขึ้นเขามันจะเมตตาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันที่มันก็เต็มด้วยตอนนี้กุติก็เต็มหมดนะมีคนต่างชาติมาอยู่หลายคนบวเป็นพ้าแค่สี่นะแล้วตอนนี้มาเป็นท่าขาวอยู่ที่จะอยู่นานๆก็สองคนนะ แล้วมีสองคนมาอยู่ไม่นานเดี๋ยวเขามาม า, มาทบทรองมาดูก็มีมาอยู่เรื่อยๆงั้นก็เลยพระไทยก็คือถ้าบวชเป็นพระก็ต้องอยู่ข้างล่างก่อนต้องเรียนหนังสือก่อนเขาให้เรียนนักธรรมเรียนจบแล้วถ้าที่ข้างบนว่างก็ขึ้นก็ไดนะ้ที่ข้างบนตอนนี้ ที่เป็นกุฏิมันเต็มนะมีแต่แค่แค่ก็ไม่มีอะไรมีแต่หลังคาแล้วก็มีที่นั่งสมาธิที่นอนฝาก็ไม่มีสาวสีส่ต้นทางเดินจงกลมอยู่นั้นมีถังน้ำรองน้ำฝนอยู่ถังนึงห้องน้ำก็ต้องมาใช้รวมกันก็ค่อนข้างจะ ลำบากแต่ถ้ามองทางมุมกลับมันก็เป็นเหมือนไปอยู่เป็นทุ่ดงในป่าเวลาข้าทุ่ดงไปทุ่ดงกันท่านก็ไม่ได้ขนกุฏิไปด้วยนะฮะไปก็ไปอยู่ตามโคนไ ม, ม้ตามตามถ้าตามเงื้อมผาชาวบ้านอาจจะมีตามมาสร้างแค่ให้อันหนึง่งแล้วก็มาถางยญาทําทางจงกรมให้เดิ น, นก็มีเท่านั้น ถ้าปฏิบัติก็ต้องการเท่านั้นเนี่ยต้องการที่นั่งสมาธิเดินจงกรมที่เงียบที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากเรื่องราวต่างๆที่จะลบควรใจที่จะมาทําให้ใจไ ม, ไม่ไม่ภาวนากไปออยู่ในป่ามมันถ้าไม่ภาวนามันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวใจมันก็เครียดขึ้น่ะทุกข์ขึ้นมา ถ้าภาวนาใจา ก, ก็สงบเยนสบายก็อยู่ได้พอถูกบางเก่าไม่ภาวนาไปบ่อยๆเขาต่อไปมันก็ติดนิสัยภาวนาไปต่อไปมันก็ไม่อยากจะทำอะไรนอกจากการภาวนาเพราะการภาวนานี่มันดีกว่าการกระทําะไรทั้งหมดในโลกนี้การกระทําต่างๆในโลกนี้มันเหมือนกับการติดยาเสพติดนี าภาวนานี่เหมือนการเลิกเลิกติดยาอยู่แบบไม่ต้องติดอะไรสบายไม่ต้องมีอะไรพลุงพลังอันอนี้ขนอะไรมาบ้างเลยรอน้อม อ, อย่างเดียวอ่ะอ ก็เหมือนนั่งดูทีวีอะยู่นั่งดูทีวีเป็นไหมอันนี้อย่าดูทีวีก็ดูลมหายใจเข้าออกนั่งนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกก็เพราะนั้นเนี่ยเห็นยากตรงไหนดูแล้วอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ก่อนจะมานั่งก็ต้องหยุดมันไว้ก่อนต้องพูดโธพูดโทไปก่อนเตืนมาก็พูดโทไปเลยสวดมนต์ไปเลย อย่าป่อยมันไปนู่นนั้นี่ถ้าส่วนมนถ้าอยู่กับการสวดมนอยู่กับพุทโธมันก็ไม่ไปพอเวลามานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เดี๋ยพุทโธไปก็ได้มันก็นิ่งนั่งมันไม่ยากหรอกมันมันก็เหมือนนั่งดูทีวีนั่งกินข้าวมันก็นั่งท่าเดียวกันนั่นแหละถ้านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งผ้าเพียบก็ได้นั่งผ้าเพียบไม่ได้จะนั่งค่อยเท้าก็ได้ไม่เป็นปัญหา ก็คือใจมันไม่ยอมอยู่กับที่มันไม่ยอมมันไม่ยอมนั่งมันชอบมันทำนูน่นทำนี่ถ้านั่งก็ต้องมีอะไรดูให้มีอะไรฟังมันยังานั่งได้หยุดไอ้ตัวที่ไปนู่นมานี่ให้ได้ต้องใช้พุโทโธหยุดมันใช้การสวดมนต์หยุดกันไปลองทำดูเสจทั้งวันเนี่ยอยู่กับบ้านไม่ได้ทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปทำงานอะไรก็พุโทโธไป สวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงถ้าไม่ออกเสียงไม่ถือว่าไม่ไม่ถือว่าเป็นการไม่เข้ารลกนะบางคนิดว่าเวลาสวดมนต์นี่นั่งนั่งทับเทียบต่อหน้าพระพุทธรูปแต่การสวดมนต์ของเราเราไม่ได้สวดเพื่อบูชาพระพุทธรูปเราสวดเพื่อปฏิบัติบูชาเราสวดเพื่อที่จะดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาเราสวดไปภายในใจเนี่ยสวดได้ทุกแผงเข้าไปในห้องส่วมก็สวดได้ ถ้าถ่ายอยู่มันยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสวนหยุดมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นการไม่เข้าโลกไม่เกี่ยวกัน<ม>การสวนนี้เป็นอุบายเป็นเครื่องมือหยุดความคิดตุ้งแต่เหมือนกับรถอนะเวลามันจะไปชนอะไรก็ต้องเบรกมันต้องหยุดมันมันจะไปชนคนชนอะไรมันก็ต้องหยุดมันใช่ไอั น, นี้กับเหมือนกันไม่ว่ามันอยู่ที่ไหน อยู่ในห้องซ่วมแล้วอยู่ในห้องน้ำกาลังอาบน้ำถ้ามันลอยไปที่นั่นที่นี่ก็นหนึ่งมันกลับมาส่วนมุนไปไปส่วนมุนไปก็ได้พุโทโธไปก็ได้ต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วเวลานั่งมันใจจะได้ไม่ลอยไปเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนฝึก ส, สติก่อนแล้วพอนั่งก็จะสามารถที่จะนั่งเฉยๆได้ทำใจให้สนิได้เป็นสมาธิได้ ตอนนี้มีอะไรเนงะี้ยอยากนับเวลาเวกันพุโทโธต้องเป็นจังหวะไหมครับให้ช้าต้ามลมหายใจหรือว่าอ๋อไม่พุโทโธก็อย่าไปยุ่งการลมหายใจนึกพุโทโธก็พุโทโธไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอไม่ต้องไปยุ่งกับลมหายใจจะช้าจะเร็วก็ตามใจเราถ้ามันคิดมากอาจะต้องให้มันเร็วหน่อยถ้ามันฟุ้งก็เหมือนกระเบกะ ถ้ารถมันวิ่งเร็วก็ต้องเหยียบมันแรงหน่อยถ้ามันช้ามันก็ไม่ต้องเหยียบแรงก็ได้เบรคเบรก็แตะเบาๆมันก็หยุดถ้ารถมันวิ่งช้าถ้ารถมันวิ่งเร็วก็ต้องเหยียบมันให้ติดพื้นเลยมันถึงจะหยุดเวลาใจเรามันฟุ้งมากก็ต้องพุทโธให้ถีบสู้กับมันไปถ้าช้าแล้วเดี๋ยวมันวับไปวับมาทิศนั้นนี้แทรกเข้ามาแล้วเราก็ต้องบริกรรมให้มันถีบ มันจะได้ไม่มีอะไรแทรกเขหาห้ามาแล้ถ้ามันไม่ฟุ้งมากก็พุทธพุทธไปสบายสบายก็ได้หรือถ้าไม่คิดเลยก็ไม่ต้องพุทธเถก็ะดัถ้ามันไม่รอยไปรอยมามันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพุทธเถแสดงว่าใจมันหยุดคิดกรุงแต่มันตั้งอยู่ในปัจจุบัน อ๋อก็เพื่อํารักษาร่างกายไงถ้านั่งมากเกินไปมันก็เมื่อยเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเดินมากเกินไปมันก็เมื่อยก็ต้องกลับไปนั่งนั่งเดินยืนมากเกินไปก็นอนของความหมายก็แค่นี้แหละไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเป็น แ, แต่การดูแลรักษาร่างกายให้มันเป็นปกติสุขไม่ไม่พิกลพ่การใดก่อน บางคนเดินแบบไม่ยอมหยุดเลยรไม่ยอมพักไม่ยอมนอนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหานั่งไปอย่างเดียวไม่รู้ขึ้นมนาะเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาได้ตอนนี้เวาจะเปล่นคุยาบอกย่่นว่าเรามาเสร็จแล้วจะเปลีนเป็นยืนไหม่ตอนนี้เราจะต้องตั้จิตหรือว่ายยนิสงในต่างระหว่างที่จะเปลนก็ ถ้าเราเป็นคนที่โลและทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็อยากจะเปลี่ยนบางทีก็ต้องกําหนดว่าเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงแต่ถ้าเราเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ไม่โลเนไม่เหยาะเนี่ ย, ยนั่งไม่ต้องกําหนดก็ได้ถ้านั่งมันดีมันนั่งได้สองสามชั่วโมงก็นั่งมันไปถ้านั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินอ้าวเพราะเวลาคุณทำอะไรคุณต้องไปสร้งโยนิโสกับคุณจะไปห้องช่วเป็นคนต้องโยนิโสกัะ คุณจะกินข้าวคุณโยนิโสเปัแบบ่าคก็ทําไปเลยทีนี้นมีสติอยู่การกระทํานั้นให้รู้ว่ากําลังจะลุกให้รู้ว่ากําลังจะเดินใจเดินไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นระหว่างทําการเคลื่อนไหวของร่างกายต้องให้รู้ว่าเออเราต้องทำอะไรให้มันเป็นตอบเป็นกรรมไม่ใช่ทำแบบโรเล่ทาไปนิดพอมันยากลําบากเบือ่อ<ม>ก็เลิกทําเปลี่ยนมันก็จะไม่ได้ผลก็คือ ถ้าจะเดินก็เดินมานอาแบบให้มันเดินไม่ไหวแล้วค่อมานั่งนั่งนั่งก็นั่งอย่างเง้นังนั่งไม่ไหวแล้วคลุกอย่างเงี้ยไม่ใช่นัเดินได้ห้านาทีสินาทีเบื่อแล้วกลับมานั่งนั่งห้านาทีสิบนาทีเบื่อแล้วลุกมันก็ไม่ได้ผลนอกจากอย่างนั้นชั่วโมงขึ้นไปตั้งกดไว้เลยถ้าจะนั่งก็ชั่วโมงหรือบางวัน ก็ถ้าอยากจะหยุดความอยากลองบางคับให้มันนั่งสักห้าหกชั่วโมงไปเลยแต่นั่งแบบมีนั่งแบบสองอยา่างนั่งแบบไม่ทรมานร่างกายกับนั่งแบบทรมานร่างกายในเบื้องต้นเรายังไม่มีกําลังมากเราไม่ต้องการไปทรมานร่างกายเราต้องการทรมานใจทรมานความอยากคือใจเรามันชอบไปนู่นมานี่ไปตรงนู่นก็อยากจะมาตรงนี้มาตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนั้นก็ฝืนมัน ให้มันนั่งเฉยๆแต่ให้มันนั่งแบบสบายหาเก้าอี e ้นวมันก็ได้เก้าอี้อะไรที่นั่งแล้วสบายนั่งได้หลายๆชั่วโมงอย่างเก้าอี้ที่เราท่องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยโซฟงโซฟาแต่ไม่ให้มันลุกสัก6ชั่วโมงไม่ให้มันไปไหนให้มันนั่งอยู่ตงนัน้อันนี้ก็เป็นการตามตันหาความอยากด้วยการใช้การนั่งแล้วก็การใช้สติคอยฝืนความอยาก อันนี้เรียกว่ามันมเป็นการหักดิบกันก็สบายก็จะหลับก็ <c oughs> ไม่ให้หลับถ้าสลับจะหลับก็ยกขึ้นมายืนให้ยืนได้ให้ยืนกับนั่งแต่ไม่ให้ไปตรงไหนให้อยู่จุดเดียวยกเว้นเวลาจะเข้าห้องน้ํา <c oughs> ก็จะอนุญาตให้เข้าห้องน้ําเข้าเสร็จก็ต้องรีบกลับมานั่งไม่ให้เเทลิเเทลิไปแล้วก็ให้มีนะ้ําเครื่องดื่มน้นํำดื่มมาไว้ได้เ้ยหิวน้ำงั <c oughs> ้นเดี๋ยวจะเดินไปที่ตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นกินน้ําเนี่ย เดี๋ยวก็จะเข้างนะองคน้ำนี่วิธีวิธีหักดิบหักความอยากถ้าเราอยู่นี้ได้ต่อไปเวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้ง่ายขั้นต่อไปก็ต้องนั่งแบบให้มันทรมารร่างกายด้วยให้มันเกิดทุกขเวทนาด้วยเพื่อจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับทุกขเวทนาเพื่อให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับการเจ็บปวดของร่างกาย ที่จะต้องเกิดขึ้นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้เกิดแต่เบื้องต้นเรายังไม่มีกําลังมากก็นั่งแบบสบายไม่ไม่ต้องมีทุกขเวทนาแต่ให้นั่งไม่ให้เคลื่อนไหวไม่ให้ไปนูน่นมาโน่ใจมันอยากจะไปเราดึงมือไว้ดึงมือไว้อันนี้ก็เหมือนการสร้างสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติอะเพราะมันไปไหนไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับร่างกายใช่ไหมมันก็มีสติอยู่ตรงร่างกายดูว่าตอนนี้นั่งหรือหรือไปไหนแล้ว พอไปไหนก็แสดงว่าเอไม่มีสติแนะถ้ายังนั่งอยู่ก็ถือว่ายังมีสติอยู่ลองทำอย่างนี้ไปก็ได้นะเราเคยทําตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆเราเห็นว่าทําไมใจเรามันวุ่นเหลือเกนะินวะไปตรงไหนก็ไม่มีความสุขนะอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นไปตรงนั้นได้แป๊บนั้นก็อยากจะไปนู่นอีกนะโอ้ไม่ไปไหนแล้ววนะนั่งอยู่ตรงนี้แหละลองมันดูสักหกชั่วโมงดูสู้กับมันเครียดกับมัน ใช้พุโทโธสู้กับมันก็ได้ใช้สมาธิใช้ธรรมะสวดมนต์อะไรก็ได้แต่ไม่ให้เปิดหนังสือไม่ให้มีอะไรทั้งนั้นให้ใช้ตัวเปล่าๆของเราเนี่ใช้ของที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยอย่าไปพึ่งของขไม่นอนเดี๋ยวเกิดมันไม่มีเราจะลาบากแล้วถ้าชนะมันได้ครั้ง น, นึงแล้ว โ, โหมันลโล่งออมันสบายแล้วมันกําลัง สติมันจะมานี่วิธีปลูกสติอีกแบบหนึ่งอย่าไปสนใจผลเราควรจะเจ้าไม่เจ้าไม่สนใจขอให้มันมีสติอยู่กับลมหายใจไปอย่าให้หายอย่าให้สติหายจากลมหายใจนอกจากให้ลมหายใจมันหายเองถ้ามันหายเองสติยังอยู่ก็รู้อยู่ว่ามันหายแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองให้รู้เฉยๆอย่าไปคว้านหาลมลมหายไปก็รู้ว่าหายไป อย่กไปปรุงแต่งคิดว่าเอ้ยไม่มีลมหายใจเราเดี๋ยวไม่ตายเหรอถ้าไปคิดอย่างั้นเดี๋ยวมันก็วิตกขึ้นมาวิตกขึ้นมาจิตมันก็จะถอนออกมามันกําลังจะเข้าสู่ความสงบมันกําลังจะปล่อยลมไว้ร่างกายพอไปคิดถึงนมอยากจะมีลมหายใจมันก็จะดึงกลับมาหาร่างกายในเวลาลมมันหายไปก็ให้รู้ว่าหายไป มันจะตายขึ้นมันรู้มันตายไปตายแบบนี้ไปไปสวรรค์เ น, นี่ยแม้ถ้าไม่นิพานก็สวรรค์ท่านได้ชั้นหนึ่งดีกว่าตายแล้วไปเป็นเปรตตายลกลัวเป็นผีตายด้วยความเครียดเนี่ยมันไปอบายทั้งนั้นต้องตายด้วยความสงบไปสวรรค์ก็ จะไปก็ไปได้นะเราแจกมีปัญหาจะถามก็ถามได้แต่ให้เราพูดคนเดียวพูดไม่ไหวเนี่ยน้องโบกลับมาบ้านั้มื่อไอ๋อไม่เลยไม่เสาต้องทำอ่ะอะไรไม่ได้มาคุยกันยอ่สามต้องสามอ่า ในสมัยนี้ติดต่อกันง่ายไม่ต้องมาทางร่างกายก็ได้มาทางเสียงมาทางไอจีอ IG ก็ได้ฮนะาทางไอจีอ่ะแต่นี่กำลังฮิตเนี่ยไอจีตอนนี้เมื่อก่อนยนังเล่นอันเดียตอนนี้สองเนี่ยไอจีกับอะไร <c oughs> เกี่ยวกับภาพ ภาพทั่วไปอีนหนึ่นก็หลงไม้เรื่งเดียวนี่เหมือนถึงเวลาเครื่องแล้วใช้ชื่อจริงกั น, นกบ้างหรือเปล่าเนี่ยชืจริงนะจริงเลเพราะอะไรเพราะว่าครั้งแรกไม่ได้คิดว่าจะเล่นค่ะดูกอลเขาไปตั้งให้ก่อนที่นี่ไม่เปลี่ยนเขาไม่ไม่ได้เขาบอกว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นอทางเน็ตมันบอกชื่อนักกุนจริงไปแล้วก็เลยใช้ชื่อจริง ทีนี้ก็คอนเลนอันใหม่คนระก็ก็ต้องใช้ชื่อรหัสอันเก่าไม่งั้นเดี๋ยวลืม เ, เพราะว่ามันมันมันเครื่องอันเก่ามันเสียมันเสียทีนี้ก็เข้าของตัวเไม่ได้มันจะทอ้อยมาเงินต้องโทรไปถามมุโบกรุงเทพถามว่าโบของคุณป้ามันเอารหัสอะไร <spam> ได้เลยเป็นที่ภาวนาเรชื่อเวลาเดินชมพูหรือว่าเวลาที่มราอยู่ในใจที่แบบสงกก็เห็นคือร่างกายก็เป็นเป็นเร่องที่หลวงพ่อสอ น, นคือมันเป็นท่าที่มันพ่อที่จะสลายไปออก็เหมือนว่ามันเวียนมาแล้วเวียนไปใจที่เป็นแบบนี้ออที่ไม่ใชื่อว่าเราจะสามารถบรรพเพื่อมันก็ดับไปราดับของมันแบบนี้ ก็ อ, อย่าไปทุกข์กับมันไยเวลาลมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ยิ้มได้สบายแว่าใจมันก็เหมือนสงบแล้วก็ร่มเย็นก็<จ>นนต้องให้มันเป็นอย่างนี้นอกจากเวลาออกจากสมาธิมาก็เวลาปวดท้องก็ยิ้มเวลาปวดหัวก็ยิ้มไม่บ่นเหมือนกับไม่ได้ปวดเวลาจะตายก็ยิ้มไอ้ที่ไอ้ที่เป็นในสมาธิมันเป็นการบ้าน ลองมาดูตอนที่เป็นข้อสอบทด<ม>สอบนะครับปวดท้องปวดหัวเป็นมะเร็งก็ยิ้มเจะตายก็ยิ้มครับ่เางจะกก็ยิ้มได้แล้วต่างอยู่ได้อยู่ได้ก็โอเคก็ท่านั้นแหละก็ปฏิบัติก็เพื่อให้มันยิ้มได้ไดไดลตลอดเวลา ไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยิ้มได้การพิ่ณาขาาันท่าเนี่ยเวลาเราที่เราเห็นว่าตัววิญญาณส่วนใหญ่จะวิ่งไปที่เวทานาสังกาสังขารเราพยายามกำหดให้ตัววิญญาณอยู่อยู่ที่ตัวเราหลกใจ แต่ว่าผมเนี่ยเข้าใจเพราะว่าเข้าใจแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเพราะว่าเห็นแต่ว่าหลังจากที่เข้าใจว่าตัววิญญาณเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาระ้ว่าสามขังใช่ไหมครับไม่ใช่เราันี่ยจินญานมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาวิญญาณมันวิ่งอย ає, ู่กับรูปเสียงกลิ่นลึกวิญญาณเป็นตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นลึกไอ้ตัววิ่งไปวิ่งมาคือตัวสังสังขารควาคิดปรุงแต่งข้าัญญา์ วิญญาณไม่ได้วิ่งวิญญาณมันเพียงแต่รับรู้นู้เสียงกลิ่นแล้วเสียงมากระทบกับหูมันก็ได้ยินแล้วตัวสังขารปรุงแต่งสัญญาไปจำว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงใครเสียงเพื่อนแล้วเสียงศัตรูถ้าเสียงเพื่อนก็มีความสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้าเป็นเสียงเสียงศัตรูก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นสังขารก็ปรุงถ้าเป็นทุกขก็อยากจะหนีอยากจะไม่ฟังเสียงนี้ กาใจายไหมที่มันหนีไม่ได้เรามาปฏิบัติเพื่อไม่ให้หนีอะไรเพื่อให้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างก็เราหยุดสังขารตรงนี้เปลี่ยนสัญญาว่าเสียงที่ว่าเราเชื่อเป็นศัตรูมันไม่ได้เป็นศัตรูหรอกเราไปจําเขาว่าเป็นศัตรูของเราเพรา ะ, ะ, ะเราไม่ชอบเขาเราหัดชอบเขาเขาก็กลายเป็นมิตรเราได้เปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนสังขารใหม่มันมันหลง มันไปจําผิดประจำว่าเสียงนั้นดีเสียงนี้ไม่ดีความจริงเสียงมันเหมือนกันเราไปรักอะไรแล้วก็ว่ามันดีเราไปเกลียดอะไรแล้วก็ว่ามันไม่ดีก็เกิดสังขารความคิดฟรุงอยากจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เราลักอยากจะวิ่งหนีสิ่งที่เราเกลียดหรือเราไม่ต้องการจะวิ่งเราต้องการให้มันอยู่เฉยก็ต้องมองว่าเสียงมันก็เหมือนกันมันไม่ดีไม่ชั่วมันเราไปให้ความหมายมันเองเห็นไหมคนที่ชอบ ฟังเสียงนิเกย์นี่แบบได้ยินเสียงนิเกมีความสุขเคนที่ไม่ชอบเสียงนิเกย์คนได้ยินเสียงนิเกก็ทุกข์ขึ้นมามันอยู่ที่ใจของคนไปชอบไปไ ป, ไปเกลียดเองแล้วก็ไปเกิดปัญหาความอยากขึ้นมาเราต้องการแก้ตัวนี้แก้ตัวปัญหาความอยากแก้ตัวชอบไม่ชอบเหมือเสียงเนะี่ยเสียงลมเนี่ยมันก็เป็นเสียงกระเท่านั้นมารวมเป็นเสียง เป็นยารับรู้เสียงเนาะก็สัญญาก็อย่าไปจำว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รู้ว่ามันเสียงเท่นั้นสักแต่ว่าเป็นเสียงเขาด่าก็เป็นเสียงเขาชมก็เป็นเสียงถ้ามันฟังว่าเป็นสเสียงมันก็ไม่ดีใจไม่เสียใจแตถจ่ถ้าไปฟังว่าเป็นคำชมก็ดีใจถ้าไปฟังว่าเป็นคำด่าก็เสียใจใช่ไหมเราตัดสังขารพอเจอคำด่าก็อยาก อยากจะฆ่าให้คนที่มันด่าเราไม่อยากจะหนีไม่อยากจะอยู่กับมันเราต้องมาแก้ตัวนี้พันยาแก้ตัวสัญญาไปจำผึดนจำไปจำว่าเป็นรน่องเป็นนี่เป็นเราเป็นเขาจริงๆไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่วมีแต่เกิดแก่เจ็บตายมีแต่เกิดแล้วก็ดับไป ถ้ามันไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับไปเราก็จะเฉยได้ก็จะไม่ทุกข์กับอะไรให้ดูอย่างนั้นได้ไหมก้ามมีอะไรมาหเปั้นของเกจะถวายเนี่ยลูกสิษท่านตนนี้ ยาว่ายุยินยาวกี่ร้อยสี่มันจะให้คนไปสองร้อยตียิ้มใหญ่เลยไม่ได้อยากดีใจเอาแค่แข็งแรงก็พอครับแล้วเวลาไปก็ไปธรรมดาไปเหมือนแม่แม่ก็ดังอย่างต้องทำใจอย่างที่เราสอนเนี่ยร่างกายมันไม่ได้เป็นของเรามันจะไปก็ไปมันไปรู้ว่าเขาติดใจจะดื้อจะดื้อทำไมเหรอ เบอร์จะมันได้อะไรขึ้นมาดูดูกัลูกเฉยๆได้ห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามห้ามไม่ให้ลมมันพัดได้เปล่าห้ามตาให้คนเขาเดินทางเราได้หรือเปล่าได <c oughs> ้ไหมท <c oughs> ่านบอดูให้มันเป็นอนาัตตาเอนาัตตาเป็นธรรมชาติเราไปห้ามห้ามธรรมชาติไม่ได้ห้ามคนด่าเราไม่ได้ห้ามสั่งให้คนชมเราไม่ได้เนี่ยมาฝึกสอนใจให้รับกับทุกอย่าง สุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได้แล้วจะสบายใจแต่ตอนนี้เรายังเลือกที่รักมักที่ชังกันอยู่ก็เลยวุ่นวายกันพอเจอของไม่ชอบก็วุ่นวายกันพยายามจะหาวิธีกําจัดมันเงี้ยพอเจอของที่ชอบก็พยายามหาวิธีรักษามันให้อยู่กันไปนานๆแล้วมันก็ไปมันหมดทั้งที่ชอบไม่ชอบท่านยังนะตอนนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแค่แน่นอนถาวร เป็นของชั่อข่าวนะฮะสอนใจให้รับรู้ว่าของทุกอย่างที่เรารับรู้เนี่ยมันของชั่วข่าวเขาดา่าปุ๊บมันก็จบไปแล้วนะเราเอามาใช้ใหม่ฟังใหม่กดรีเพลย์อยู่นั่นนะ่ะไหนเขาว่าไงเนะี่ยเขาด่าไงนะกดใหม่อยู่นั่นนะ่ะเขาด่าทาเดียวแต่เราเอามาเอามาฟังใหม่ไม่รู้กี่สิบครั้งด้วยกันเขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนบ่ายก็ยังยังจำได้เลยเขาด่าเราไง ใจเราไปยุ่งออมันเองคามจริงเขาพูดครั้งเดียวมันก็ผ่านไปแล้วะจบไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันจบเราเดิงมันกลับมาอยู่เรื่อยๆเพราะใจเราไม่อยู่ในปัจจุบันใจเราชอบไปดึงอดีตเข้ามาดึงอานาคตเข้ามาถ้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันจะไหลามาไปไหลามาแล้วก็ไหลไปไหลามาแล้วก็ไหลไปต้องฝึกทําสมาธิเนี่ยมันถึงจะอยู่เฉย อยู่ในปัจจุบันได้ไม่ไหลไปตามอดีตอนาคตไม่เดินะดีตอานาคตชอมมาไหวทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเขาจะสบายใจเสียงด่ามันมันมันมันทำให้เราแข็งขาดขาขาดหรือเปล่าเสีย ง, งชมแล้วมันทำให้เรารวยขึ้นมาหรือเปล่ามันก็ไม่รวยเท่าหน่อยมันก็เหมือนเดิม ถ้าเขาชมแล้วได้เงินเป็นร้อยเป็นพันนี่ก็น่าให้เขาชมหน่อยพรด่าแล้วแล้วเราเสียเงินไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่เสียเงินสักบาทมันจะไปเดือดร้อนทำไมเ <c oughs> นี่ยใช้เราต้องมาสุดกันมาปรับกันให้รู้ว่าเราวุ่นวายกับการที่เราไม่รู้จะควบคุมใจของเราปล่อยให้ไหลไปตามความอยากความชอบความเกลียด เนี่ยเราต้องอยุ่สี่ตัวรักชังกลัวหลงเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ใจเราปวดทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่เรื่อยๆพอรักก็อยู่เฉยๆไม่ได้ละพอชังก็อยู่เฉยๆไม่ได้พอกลัวก็อยู่เฉยๆไม่ได้พอหลงก็อยู่เฉยๆไม่ได้รู้ว่าไม่มีนะยหน้ารักหน้าชังหน้ากลัวหน้าหลงเพราะไม่มีอะไรจะทําลายเราได้เข้าใจไหมใจของเรานี่ไม่มีวันตาย ถ้าให้ระเบิ ด, ด ย, ยิงเคลลงนลงโน ล, ล, ล, ล, ลงมาตรงนี้มั่งมันก็ตายแต่แค่ร่างกายใจมันก็ไม่ตายเพราะใจมันมีมัน ไ, ไม่มสีส่วนประกอบระเบิดทําลายมันไม่ได้เหมือนความว่างเนีไงความว่างที่เราอยู่เงนี้เอาระเบิดไปใส่ยิงระเบิดไอ้ความว่างนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เชื่อลองลองไปไปโยนระเบิดใส่ตรงไหนก็ได้แล้วดูสิความว่างจะหายไปหรือเปล่ะ มก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจเราก็เหมือนความว่างไม่มีวันสูนสลายไม่มีวันตายแล้วเราไปกลัวอะไรเราไปหลงเราคิดว่าเราเป็นร่างกายไอ้ร่างกายเนี่ยตายแน่ๆมันถึงกลัวตายกันเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราไม่รู้จักแยกร่างกายออกจากใจเหมือนกับ น, น้ําเนี่ยเวลามันอยู่ในขวดก็คิดว่าเป็นอันเดียวกัน ต้องเทมันออกถึง <Yeah. S 1> จะรู้ว่าอ่อน้ําเป็นอย่างขวดเป็นอย่าง <Yeah. S 1> เวลานั่งสมาธิเนี่ยแยกกันออกมาก็อย่ะนะางนี้งสนานี้ใจกับร่างกายมันจะแยกออกจากกันเรามันจะรู้ว่าออนเวลาร่างกายเป็นอะไรไปตอนนี้ยังอยู่แล้วมันทําไม่กลัวตายต่อไปกดทําไม่ได้นี่กว่าไปเล่นไอจแล้วเปิดลงแล้วใจดอยู่ไหน ใจมันก็อยู่ที่เดิมเหมือนความว่างมันจะอยู่ที่ไหนล่ะความว่างตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันย้ายไปที่มันย้ายเคลื่อนที่ไปแล้วเปลเวลาคุณยื้อสาวาลไปความว่างตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เปล่าใจมันก็อยู่ตรงที่รู้อะตัวรู้มันอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อยู่ก็ใช่ไหอตัวรู้ไม่ต้องมีที่อยู่มันร่างกายอยู่ทุกที่ มันจะไปอยู่อีกโลกก็ได้ถ้ามีร่างกายอมันมันไปไปเกิดโลงนั้นมันก็ไปอยู่โลกนั้นได้แต่มันไม่ได้ไปหรอกจริงๆมันส่งกระแสไปตัวมันไม่มีร่างกายมันไม่ต้องเคลื่อนไหวมันเพียงแต่กส่งตัววิญญาณไปวิญญาณมาส่งมาที่ร่างกายนี้มารับภาพเสียงกลิ่นรสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเอะตัววิญญาณไปแล้วมาแต่ที่มันอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อย่าไปหาที่เพราะมันอยู่คนละมิติกัน ใจนี้ไม่ได้วัดด้วยความกว้างความสูงความยาวไม่ได้วัดอยู่ที่ว่าตั้งอยู่ที่สถานที่ไหนมันไม่มีสถานที่ตั้งถ้าจะเรียกภาษาสมมุติว่มันอยู่ในโลกทิพย์ตรงง่ายในโลกทิปโลกที่ไม่ใช่โลกนี้คนละโลกกันถ้ า, าคนที่มีร่างากายอยู่แต่ ว, ว่าการฟังเสียมันไม่มีสติโคม่า เขาอยู่ท ok ี่ไหนไกลเขาอยู yeah. ่ที่เดิมเห็นแต่ว่าวิญญาณไม่สามารถที่จะรับรับข้อมูลผ่านทางร่างกายได้มันกับมันอยู่ในเวลาอยู่ในสมาธิมันก็ไม่ได้รับข้อมูลจากทางร่างกายเวลาคุณนั่งสมาธิคือว่าหลับตาหลับแล้วปิดหมดเดินวิญญาณออกมาเหมือนถอดปลั๊กนี้ถอดสายโทรศัพท์เนี้ใครจะโทรข้างโทรออกก็โทรไม่ได้ตอนนั้นทางร่างกายมัน มันมันโคม่ามันก็รับรูปมาไม่ได้รับเสียงมาไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีหน้าที่มันไม่มีสัญญาณเข้ามาใจก็ไม่มีอะไรรับเลยมันอยู่กับความความว่างไปแล้วอยู่กับความคิดปรุงแต่งไปถ้ายังหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้มันก็ปรุงแต่งไปก็เหมือนนอนหลับเวลานอนหลับมันก็ฝันไปนะความฝันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆหลาคนนอนในโคม่ามันก็เหมือนคนนอนหลับดีๆนี่แต่ใจมันก็ยังฝันได้ ฝันไปตามบุญตามบาปถ้ามันทำบุญมากมันก็จะฝันแต่เรื่องดีๆถ้ามันทำบาปมากมันจะฝันแต่เรื่องไม่ดีมันฝันลายไปฝันดีไปอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายมันเกี่ยวกับตัวตัวสัญญาสังขารเนี่ยตัวเนี้สองตัวเนี้สองพี่น้องเนี่ยเป็นผู้กำกับกับผู้ผลิตรายการเข้าใจไหมมันผู้ผลิตละละครต่างๆออกมาสองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ใครหรอก สัญญาสังขารเนี่ยตัวหนึ่งเป็นผู้กำกับตัวหนึ่งเป็นผู้ ผ, ผลิตถ้าไปทำบุญมันก็ไปผลิตรายการดีฝันดีผู้ที่มีความเมตตานอนหลับฝันดีไม่ฝันลายถ้าเวลาตื่นเนี่ยมาทำบุญเนี่ยเวลานอนหลับก็จะฝันว่าโอ้เมื่อคืนนี้ได้ไปเที่ยวไปทำบุญกับคนนู้นคนนี้ถ้าไปกานแกล้งคนนั้นคนนี้ไป สร้างความเดือดร้อนไปฆ่าคนนั้นคนนี้มันก็จะมาฝันว่าเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าเราหรือเปล่าตามมาฆ่าเราหรือเปล่าความหวาดกลัวทําอะไรไปแล้วมันจะกลัวฆ่าเขาแล้วกลัวเขาจะมาตามฆ่าเราใช่ไหมมันก็จะคิดอยู่เรื่องนี้เขาเลย แ, แต่เรื่องความกลัวตายขึ้นมาเวลานอนหลับมันก็จะฝันร้างฝันว่าคนนั้นก็จะมาฆ่าเราคนนี้ก็จะมาฆ่าเรา ถ้าเราทาความดีวันนี้มาทาบุญทาทานีเลาาเราก็ฝันว่าโอ๊ยเราไปช่วยคนยนี้คนนี้เดียเด๋ยวคนนี้คนนี้เขาก็มาช่วยเราพอ อ, อะไรยังวันนี้ลมดีนะาบรรยากาศนี้ไม่ได้นเะนี่ยเดี๋ยวาด้อจส่งวีดีโอได้หรอน่าจะถ่ายเป็นวดีโอส่งไปเท่า น, นั้น <c oughs> งก่เข้ามายจะได้ายิง น, นะมาายรูป <c oughs> ทำแล้วนมีคนถายรูค่กลับบ้านได้นะ <c oughs> ได้ทํา้นแล้วเดี๋ยวคนนี้นอนหลับฝันดีแล้ผลิตรายการดีแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็เวลาเปิดวีดีโ อ, อนนอนฉายหนังในฝันนี่มันก็จะฉายหนังดีออกไม่เขาอ่ะเวลาคนพูดอะไรอ่ะเขาทำตัวเป็นนั่นเ อ, เอนเอแต่คนไม่รู้ว่าเาโผใช่แต่ทุกกับประมาณว่าทุกวันอนะ่ะคุณแล้วเราก็เฉย เรก็จะคิดแ่เมันเป็นลังเอกมันชอบเล่นเป็นลังเอกอะไรอย่างเงี้ยกว่าโกรธไม่เต็มเขาบอว่าใหญ่อะไนงเียก็ดีไม่โกรธนะดีแล้วไหมโกรธแล้วไม่ดีโกรธอะโกรธอยู่ข้างในใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันเดียวทุกวันเป็นฟีแลฟรีจนะอยูอลมาโกรธโกรธข้างในแต่ว่าแสดงแล้วมันมนุษย์ปุถุชนไม่มีทางจะไม่โกรธทีกว่าจะโกรธก็ยังดีนี่ก็เกินไปละ ไม่ไม่แส ด, ดองออกมาก็ถือว่าเก่งมีสติแค่เห็นว่าข่ <c oughs> าวแล้วเราพอเราไปโกรธเพราะว่าเจ้าชอบเป็นานงางเอกคือเราเราเร า, เราใจเราไม่โกรธใจเรานิ่งแต่เราเรายิาร <c oughs> นี่ฉัน่ออ <c oughs> ชอบบอกเลยแต่ใจเราเฉยเฉยสมัครจะแบบเ้ชอบเป็นนางเอกก็เห็นเบกป็นางเอกผมก็ทาตัวเป็นนางเอกเขาก็ว่าเป็ น, นเรื่องเขก็ว่าไม่โกร เราไปบอกเขาบอก ว, ว่านี่อย่าไปพูดนะเนี่ยก็โกรธนะไม่จริงรู้จะกดินไม่โกรธมันจพูดไปเรื่อยๆอยู่ทุกคงก็มีความโกรธอยู่ที่ว่ารู้จักจัดการกับมันหรือเปล่าควบคุมมันได้หรือเปล่าเขายังไม่ได้เป็นผ้าหลังใช่ไหมคลอนลอยคลอนลอยไม่หลาคนที่ควบคุมได้ก็ดีกว่าคนที่ควบคุมไม่ได้ แล้วคนที่โกรธออกมาแสดงออกมาบางทีก็ร้องโหมร้องไห้ขึ้นมาโวยวายขึ้นมาอย่างว่ายิ่งยิ่งเสียหายกว่านกับคนที่พยายามข่มใจอย่างไร้างี่คุ้ชมากเลยค่ะทำไมใช่จืดมากับจืดกันโอ้โหทะเลาะกันอยู่นั้นเนี่ยเราไม่แต่ลองมาแค่บอกว่าอยาสีหน้าออกแสดงออกเขากไม่กล้าเดือดเรา เฉยๆแต่เราไม่ได okay. ้โกรธใครเราก็เฉยๆเราก็แกล้งทำฉากสีหน้ามันก็เล่นละครแค่นี้คูไว้ก่อนอย่านะก็ไม่เวลานายเขาว่าอไรเราเราก็เฉยไปแล้วไป่ยเขาว่าไปตอนนี้เริ่มเรื่องกับงานเยอะคิดเรื่องเยอะบัตรสมบัตเริ่มจะเต็มอใครมามันสายได็กไปมันไม่รับอะไรแล้วจะเอแล้วตาร์แล้วเดี๋ยวต่อไปฉันจะต้องวางระเบิดพวกแกมัน โกรธแล้วคนยังไม่รู้ว่าโกรธเลยค่ะทำไมมีลูกค้ามาใหม่ล่ะงานเนยอะเพราะเพิ่มขยายโรงงานน้องไม่อยู่พ อ, อ, อช่วงนี้น่านโล่จะแม่ท่านจะอาลูกน้องเราก็จับได้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็เลยเรียกเคลียร์มาสามสี่รอบรเป็นแรมปีแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะออกจะทำได้ละก็เลยให้เขาออกกว่าก็ร้องห้อยากจะขอ อาอยากจะขออยู่ต่อคงไปได้ละหมดเวลาเธอละจะให้เวลาบางวันกี่ครั้งละเวลาเกือบ2ปีแล้วค่ะเดือนร้อนเป็นประจำรู้เวลาอะไรและชอบบอกของลูกค้าของแขกค่ะมียหาพอหน้าโลดเราจะมีเวลาหน่อยก็ต้องไปทาไปที่แทนเขาก็ดีทำเองดีกว่าอย่าไปขึ้นใครนี่ไงเสียดุรุษเสียดุรุษ รู้ป่วยแล้ละไม่ไม่แต่ว่าเป็นหวัดมันมันหมือนหวัดลงคอแต่ยังไม่เป็นตอาแลจะ้ถ่ายเลยมีชาวต่างประเทศมาไหมครับ้าเอาตัว้เป็นได้คันเจ๊ไใีเลยเอาสั้นๆได้ไหมเอาภาษาไทย อมีอายุบ้านขันยืนมังมีสีสุขแข้วค่ า, าปลอดภัยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าเงินก็ดีทองก็ดีอะไรก็ดีขอให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆๆๆนั้นเธอก็เมือ่อกี้ก็ให้ทุกคนไม่รับก็ได้ไม่รับก็ได้